Book 2 3สามที่ร้านอาหา ร, รสารี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ และมายองเนสสองที่และใส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่คุณมีผักอะไรบ้างครับคุณมีถั่วไหมครับ คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับมาชิคาร์ฟิลผมชอบทานขา้าวโพดหวานราตราดาเยมคุคุริซุผมชอบทานแตงกวาราตราดาเยมอูฮอร์กิผมชอบทานมะเขือเทศราต ราดาเยมปราดกิคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับไอวิมาเชราบอรคุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับไอ m ิมาเชราดิคิสุกับอุสตูคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับอมาเช คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับมาคุณชอบทานบลอกอรี่ด้วยใช่ไหมครับช ร, รชบาต บ, บ, บรกคุคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับตผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่น e มามราต รากิบุลูผมไม่ชอบมะกอกยี้ม้ารดรากิ้บผมไม่ชอบเห็ดยีม้ามรัดรากิ้บ